ตอนที่42เย่คนเสียสติสีหน้าของเย่เยาเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงเซี่ยชิงจือมองนางด้วยรอยยิ้มที่ทวีความวิปริตมากขึ้นเรื่อยๆข้ากินอาหารยาเหล่านี้ลงไปกับปากตัวเองได้อย่างไรนางหยิบตะเกียบขึ้นมาคีบอาหารเข้าปากทันทีเย่เยาและพี่สไปซ์สีหน้าเปลี่ยนไปอีกครั้งเมื่อเห็นนางลงมือโดยไม่ลังเลพี่สไปซ์ก็รีบวิ่งลงจากบันไดแย่งจานในมือของเจินจูมาทันทีคุณหนูชิงจือท่านทําอะไรของท่าน ของสิ่งนี้กินไม่ได้ท่านก็รู้อยู่เต็มอกท่านหมอบอกแล้วว่าสมุนไพรในอาหารยานี้หากผสมกันจะกลายเป็นพิษร้ายแรงฮูหญินเท่าของพวกเราก็ประกินอาหารยานี้เข้าไปถึงได้เกิดเรื่องแล้วเหตุใดท่านถึงกินมันเข้าไปเองเล่าผู้คนที่มุงดูอยู่ต่างพากันอุทานด้วยความตกใจที่สไพยตะโกนเรียกสาวเชออีกครั้งจื้อเพอยรีบไปเชิญท่านหมอหลีมาเร็วทว่าเสี่ยชิงจืกับกลืนอาหารในปากลงไปอย่างใจเย็นทั้งยังเผยรอยยิ้มออกมา นี่ต้องชำระด้วยนี้เหล่ากวัวกองโกรธจัด ก, กับเรื่องนี้จนไปร้องเรียนต่อหน้าฝาบาททําให้ท่านอองต้องถูกตําหนิซ้ำยิ่งถูกเหล่าขุนนางทัดทานโจมตีเรื่องทั้งหมดมีต้นเหตุมาจากชิงจือวันนี้ชิงจือจึงต้องมาแบกรับผิดชอบทุกอย่างเองเมื่อเห็นรอยยิ้มที่กว้างขึ้นเรื่อยๆบนใบหน้าของนางทั้งที่สภัยและเย่เยาต่างก็ตกตะลึงอย่างถึงที่สุดที่สภัยคาดไม่ถึงเลยว่าเสี้ยชิงจือที่ดูเหมือนจะก่อเรื่องเพราะความโง่เขลาเบาวปัญญามาโดยตลอดจะกล้าลงมือกับตัวเองได้อย่างโหดเที่ยมถึงเพียงนี้ เสี้ยชิงจือกล่าวต่อฮูหยินน้อยขัดขวางไปก็ไร้ประโยชน์ชิงจือรู้ดีว่าคนในโจรกัวกลงล้วนมีเมตตาจะต้องขัดขวางข้าแน่นอนดังนั้นตอนที่อยู่บนรถมา้าข้าจึงได้กินเข้าไปล่วงหน้าตั้งมากมายแล้วฝูงชนชาวบ้านพากันหือหาเยี่เยาสูดลมหายใจเข้าลึกด้วยความหนาวเหน็บเดิมทีเรื่องที่หูหยินเ่าถูกพิษจากอาหารยายังไม่ได้มีรายละเอียดหลุดรอดออกไปมากนะักแต่ตอนนี้เสี้ยชิงจือกลับเป็นคนพูดทุกอย่างออกมาด้วยปากตัวเอง หากนางลม้มลงที่หน้าประตูจวนกัวกลมย่อมส่งผลกระทบต่อคนทั้งจวนอย่างไม่ต้องสงสัยหากรู้แต่แรกว่าเซี่ยชิงจือเป็นคนที่มีจิตใจชั่วร้ายถึงเพียงนี้เย่เยาคงไม่บอกวิธีนี้แกนางเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบดูท่าว่าหลายเรื่องหากขยับเพียงนิดย่อมสะเทือนไปทั้งร่างต่อไปนางต้องคิดอ่านให้รอบคอบมากกว่านี้สิ่งที่เซี่ยชิงจือทำในวันนี้ทำให้เย่เยาตั้งตัวไม่ติดจริงๆแต่นางก็จะไม่ยอมอยู่เฉยรอความตายนางก้าวไปข้างหน้าและคว้าตัวเซี่ยชิงจือไว้ท่านหมอหลี่มาหรือยัง รีบเชิญคุณหนูชิงจือเข้าไปพักผ่อนในจวนเร็วเข้าพี่สะใภยรีบพาสาวใช้ครูเข้าไปช่วยกันพยุงแต่เซี่ยชิงจือกลับไม่ยอมขยับขยื้อนทั้งยิ่งยิ้มให้เยี่ยยาวที่ยาวยาวคำพูดของท่านชิงจือจาได้ขึ้นใจทุกคํานอกจากอาหารยาเหล่านี้แล้วยังมีลูกประคําหอมประหลาดจากซีวีชิงจือไม่มีเวลามากพอที่จะรอให้มันค่อยๆอ อ, ออกฤทธิ์ดังนั้นข้าจึงบดมันเป็นผงแล้วผสมลงไปในอาหารยาด้วยกันเสียเลย เย่เยาเบิกตากว้างกัดฟันกรอดพลางกระซิบข้างหูนางด้วยเสียงต่ําเจ้าไม่มีคนเสียสติข้าดูแคลนเจ้าเกินไปจริงๆแต่อย่าคิดว่าข้าเป็นเด็กสามขวบที่จะหลอกได้ง่ายๆอย่ามาบอกข้าว่าที่ทําแบบนี้ก็เพื่อท่านอองข้าไม่เชื่อเด็ดขาดเจ้ายังมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ใบหน้าของเซี่ยชิงจือเริ่มซีดขาวอย่างเห็นได้ชัดดูท่าว่าฤตยาจะเริ่มทํางานแล้วร่างของนางโอนเอ็นไปมา ต้องอาศัยเยี่ยยาวและพี่สะพายช่วยพยุงไว้ถึงจะยืนอยู่ได้เจริญจูที่อยู่ข้างๆตกใจจนขวัญเสียร้องให้โฮออกมาคุณหนูคุณหนูเจ้าคะทว่าเสียชิงจือที่ลมหายใจเริ่มรวยรินกลับยังคงยิ้มให้เยี่ยยาวและทิ้งคําพูดอมหิดไว้ข้างหูที่เยี่ยย์ฉลาดจริงๆนะเจ้าคะ่ะสายลับคนนั้นคงจะจําท่านสลับกับข้าถึงได้จับตัวท่านไปที่วัดร้างเขาได้บอกอะไรกับท่านบ้างหรือเปล่าท่านฉลาดถึงเพียงนี้คงจะรู้อะไรบางอย่างแล้วใช่หรือไม่ ที่แท้ก็เป็นอย่างที่คิดใหญ่ผู้หญิงเสียสติคนนี้ไม่ได้เสียสละเพื่อสิ้นอ๋องแต่นางทําเพื่อตัวเองแมริตยาจะเริ่มออกริตจนเลือดเริ่มไหลซึมออกมาจากมุมปากแต่นางก็ยังคงบีบมือเยี่ยยวไว้แน่นไม่ยอมปล่อยที่สะพ้ยไม่สนอะไรอีกต่อไปแล้วฮันไปตะโกนสั่งคนข้างหลังอย่างบ้าคลั่งไปตามมังคารักษ์มาสองสามคนแบกนางเข้าไปข้างในส่งคนไปเร่งท่านหมอหลี่อีกครั้งบอกให้เขามาที่นี่เดี๋ยวนี้เสียชิงจือฝืนทนจนวินาทีสุดท้ายเพื่อพูดประโยคนี้ข้างหูเยี่ยวให้จบ พี่เยาเวาช่างมอบความคิดที่ยอดเยี่ยมให้ข้าจริงๆหลังจากผ่านเรื่องนี้ไปใครจะไปเชื่อว่าข้าเสียชิงจือเคยเป็นต้นเหตุทําให้คนทั้งตระกูลต้องตายเย่ยคนเสียสติที่แท้นางวิ่งมาแสดงละครหน้าจวนก๋วกงก็เพราะกลัวว่าเยาเยาจะเปิดโปงเรื่องที่นางเป็นต้นเหตุให้คนทั้งตระกูลถูกสายลับฆ่าล้างครัวเมื่อสิปีก่อนตอนนี้เมื่อนางมาแสดงนิ้วต่อหน้าสาธารณชนในสายตาของทุกคนนางย่อมกลายเป็นคนที่มีคุณธรรมและกะตันยูอย่างยิ่ง ยอมเสียสละตัวเองเพื่อไม่ให้สิ้นอองต้องเดือดร้อนแม้แต่สิ้นอองที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดนางยังยอมสละชีวิตให้ได้แล้วชาวบ้านจะเชื่อได้อย่างไรว่านางเคยทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองยี่ยังไม่มีหลักฐานเดิมที่การพูดเรื่องนี้ออกไปก็ย่อมถูกสงสัยอยู่แล้วยิ่งมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกใครจะไปเชื่อคาพูดของนางช่างเป็นแผนยืมดาบฆ่าคนและยิงธนูครั้งเดียวได้นกสองตัวที่แนบเนียนยิ่งนัก เสียชิงจือคนนี้ไม่ได้ใส่ซื้อไร้เดียงสายอย่างที่เห็นภายนอกเลยแม้แต่น้อยความเจ้าเล่ห์เพทุบายของนางล้ำลึกจนหน้าขนลุกเมื่อคิดดูแล้วเรื่องลูกประคำหอมประหลาดจากซีวีและเรื่องอาหารยานางอาจจะไม่ได้ทำไปโดยไม่ตั้งใจก็เป็นได้นี่มันคนเสียสติขนาดแท้คนในจวนกัวลงไปทำอะไรให้นางนักหนาชาติก่อนก็นางนี่แหละที่เป็นคนยืนยันหนักแน่นจนเย่ยถูกใส่ความว่าคบคิด ก, กับสายลับ จนเป็นเหตุให้คนทั้งตระกูลต้องถูกตราหน้าว่ากบฏขายชาติในชาตินี้เย่ ย, ยังพบอีกว่าหากนางไม่ได้ทําไปโดยไม่ตั้งใจนั่นหมายความว่านางซ่อนเจตนาร้ายมาอย่างน้อยครึ่งปีแล้วเริ่มลงมือจากท่านยา่าตั้งแต่ลูกประคําหอมไปจนถึงอาหารยาจิตใจช่างอมาหิดนักเย่เยา ย, ยิ่งคิด ก, ก็ยิ่งโกรธแต่ในตอนนี้หากนางลงมือรุนแรงกับอีกฝ่ายย่อมเข้าทางแผนการของนางพอดีเสี่ยชิงจือมีความแท้นฝังลึกอะไรกับโจนก๋วกงกันแน่ เยี่ยวยโสกดกลั้นความโกรธแค้นในใจพรางกระซิบเสียงต่ําข้าก็นึกว่าสายรับคนนั้นใส่ร้ายเจ้าข้าถึงได้นิ่งเฉยไม่พูดอะไรออกมาไม่นึกเลยว่าเจ้าจะรีบชิงยอมรับเสียก่อนเยย่ยาว ย, ย, ยิ้มเย็นดูไม่ออกเลยนะคุณหนูชิงจือผู้แสนอ่อนหวานเรียบร้อยจะมีเล่เหลี่ยมไร้กาดถึงเพียงนี้เสี้ยชิงจือชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะออกมาและกระอาดเลือดออกมาสองคำที่เยี่ยวยิมผู้ปราดเรื่องคงไม่ได้คิดว่าคำหลวงเช่นนี้จะหลอกชิงจือได้หรอกนะเจ้าคะ ที่ท่านนิ่งเฉยไม่พูดออกมาก็เพราะว่านอกจากคําพูดลอยๆของสายลับแล้วท่านไม่มีหลักฐานอะไรเลยต่างหากไม่ใช่เพระท่านคิดว่าสายลับคนนั้นใส่ร้ายข้าหรอกเสี้ยชิงจือยื่นหน้าเข้าไปใกล้หูนางในสายตาคนนอกดูเหมือนนางกําลังกระซิบประซาบอย่างสนิทสนมและขอเข้ามาด้วยความจริงใจพี่เยาเยากำลังเดิมพันว่าข้าไม่รู้ว่าสายลับคนนั้นคือคนที่ข้าล้างตระกูลเสี้ยของข้าเมื่อสิบปีก่อนใช่ไหมเจ้ากะเ ย, ยาเยา เซีย่ยชิงจือคนที่จะจำค่าได้จากจี้หยกชิ้นนั้นมีเพียงคนเมื่อสิบปีก่อนเท่านั้นเย่เยาสูตรลมหายใจเข้าลึกและหลับตาลงเพื่อรังงเพลิงโทสะที่พลุ่งพล่านอยู่ในอกเซีย่ยชิงจือกรากเลือดออกมาอีกสองคำท่ามกลางความวุ่นวายที่องค์คาระต ก, กำลังวิ่งตรงเข้ามาหานางนางก็ยกยิ้มที่มุมปากแล้วร้องให้คร่ำครวญออกมาพี่เยาเยาชิงจือสำนึกผิดจากใจจริงแล้วได้โปรดรับคำขอโทษและสิ่งตอบแทนความผิดจากข้าด้วยเถิด ชาวบ้านที่มุงดูต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์คุณหนูชิงจือยอมเสียสละเพื่อจวนอองได้ถึงเพียงนี้ช่างเป็นคนที่มีน้ำใจประเสริฐแท้ๆถึงแม้ว่านางจะเกือบทำให้หูหยินท่าเป็นอันตรายถึงสองครั้งเพราะความโมโเขาแต่นั่นก็เป็นเพราะความไม่ตั้งใจนี่นา